ประชาชนมุตรบอลสัตว์ทั้งหลายวันที่บันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยสาเอ็ดเป็นการบันทึกเพื่อนำเสือเล่มที่ห้าหน้าที่ตอนที่สองวันนี้ก็มาคุยกันถึงพโพรงแผ่นดินในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเรามีพโพรงแผ่นดินไหม เจ็คเขามีแล้วใกล้ไทยหรือเกินแล้เมื่อเจ็กมีทางมีตะใกล้ไทยไทยก็คงจะมีด้วยรวมความว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดแต่ก็มานั่งดูมานั่งดูลองร่องพื้นดินของประเทศไทยว่ามีตรงไหนบ้างแต่ว่าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนที่แล้ว ไปพูดยืนยันว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพระท่านมาทวงว่าไม่ควรจะยืนยันเพื่อการยืนยันว่ามีที่ไหนใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่เป็นหน้าที่ของนักธรณีวิทยาไม่ใช่หน้าที่ของนิทานจะเพิ่งรับจะเพิ่งบรรยายจะเพิ่งงรับรองก็เป็นอันว่าในที่นี้ก็ไม่ยืนยัน เป็นในเพียงบอกว่าสายแผ่นดินที่เปน้องใหญ่ที่จะมีอันตรายกับคนไทยระยะสั้นๆมีไหมขั้นมันดูไปก็ปรากฏว่ามันไม่มีแต่ว่าทางนี้เว้นไว้แต่ว่าไปทำอะไรเป็นพิเศษเข้าอย่างนี้สมัยทราบทั้งนกันเอาแต่เพียงว่าพื้นที่พบจริงๆที่มันจะพังลงมา ถ้ามันพังไปทำให้คนตายมันอยู่ตามธรรมดาเู้มันก็ดีเลีแค่ไปปลึกไปปูกบ้านเรือนบ้านรือนบ้านเรือนโรงแล้วตึกตึกที่อยู่ใหคันใหญ่ๆก็ดีอย่างนี้แผ่นดินผืนนั้นตอนนั้นก็ยังสามารถต้านทานน้ำหนักได้อีกนานมากถ้ายะถามพระจะบอกว่า แผ่นดินส่วนนั้นที่เป็นโพรงใหญ่ที่กําลังต้านทานน้ำหนักน้ำหนักในการสร้างเมืองใหญ่ๆเหนือโพรงขึ้นมาอีกสักกี่ปีจึงจะสลายตัวท่าทีก้ยิ้มท่านบอกว่าไม่คนบอกถึงว่าจะบอกไปก็ไม่มีผลเพราะว่าการถล่มของแผ่นดินเพื่อความน้ําหนักของตึกเรืออาคารใหญ่ๆ อีกกี่ล้านปีก็ยังไม่ถลม่มในเมื่อตั้งหลายล้านปีไม่ถล่มก็ไม่ควรพูดที น, นี้มามาว่ากันเรื่งสายว่ากระ่งสายทางที่มันเดินมันเข้าทางไหนบ้างพอบอกเข้าทางไหนบ้างแทนก็ค้านอีกเพราว่าไม่ควรจะบอกจุดที่แน่นอนให้ไปเรื่องอนักตรณีวิทยากอแล้วกัน ท่านบอกแต่เพียงบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสายใหญ่ที่ผ่านประเทศไทยใหญ่ๆเป็นสายที่น่าฟัวจริงๆมีอยู่สามสายแต่ความกว้างเขาแต่ละสายที่กว้างสูงสุดไม่โตนักไม่เกินระยะความกว้างไม่เกินสามกิโลเมตร แต่และสายแต่ละสายที่ใหญ่ที่สุดความกว้างไม่เกินสามกิโลเมตรแต่ถ้าว่าบางตอนก็แคบกว่า น, นั้นบางตอนก็ถึงสามกิโลเมตรลดแหลงกัะตานอนดับแล้วก็สายแยกสายแยกนี่มากถ้าบอกว่าจะบอกจำนวนเลยมันเป็นสายเล็กๆจุดที่ตั้งของบ้านเมือง ที่คร่อมสายใหญ่มีไหมท่านบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆจริงๆไม่ใช่กรุงเทพมีอยู่สามเมืองถ้าทั้งนี้ก็หมายความว่ายังไม่ต้องกลัวชีวิตของคนไทยที่ยังเป็นไทยและยังมีประเทศเป็นไทยยังไม่ต้องกลัวว่าแผ่นดินจะถลม่ม เพราะความรักน้ำหนักไม่ไหวขอตึกบ้านตึกเรือนโรงแต่ว่าเวลานี้เขาทะเลาะกันเรื่องน้ำแต่เรื่องน้ำนี่ไม่ขอยืนยันเพราะมันหนักมากและท่านก็นบอกว่าอย่าไปพูดเลยจะเป็นเหตุให้เขาทะเลาะกันถ้าเป็นหน้าที่ระนักปรนนิบิติยาไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ะรงความว่าหน้าที่จริงๆในการพูด ก็คือขอพูดว่าในประเทศไทยเรามีผืนแผ่นดินข้ามีโครงแผ่นดินใหญ่ๆอยู่สามสามสายและก็ไม่ใช่เป็นสายที่น่ากลัวนักยังมีความลึกสูงแต่บางส่วนก็ลึกต่านิดหน่อยขํามาลึกบางๆหน่อยๆก็้ามายพราะนหามากที่ว่ามันบางหน่อยๆก็สามารถจะเจาะเอาความร้อนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ความจริงก็ไม่เท่านี้นะไม่เห็นมีอะไรมากถ้าพูดไปก็จะมีแต่การเลอะเทอะตรงความว่าบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายก็มีความมั่นใจในความดีของตัวเองที่เราถูกน้ําท่วมน้ําท่วมคราวนี้หนักหนามากท่วมทั้งภาค ก, กลางทั้งภาคใต้ภาค ก, กลางที่ถูกก็เสียหายไม่น้อย แค่ว่าที่เกียวไทยธานีดูหมือว่าเขาจะประกาศว่ามีคนตายสองคนคนตายเพราะก็ะแสน้ําไหลเอาลูกไปส่งเอาเมียไปส่งตัวเองถูกน้ําไหลพายไปกับน้ํามันก็มีความรุนแรงไม่น้อยแต่ว่าเอิญมีที่ขยายไปมากแล่วก็บ้านเมืองต่างๆอยู่ไกลจากฝนใหญ่ก็อยู่ไกลจากสาต้นสายน้า ท่านที่มีอันตรายก็แค่ต้นสายน้ำปลายสายน้ำไม่มีอันตรายก็จัมีบ้างในความเสียหายไม่มากนักสำหรับพี่น้องภาคใต้านบรรดาท่พุทธศัท์ญาติโยมคนไทยด้วยกันภาคใต้หนักหน่อยนี่ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนต่อไปก็ต้องมีการเตรียมพร้อมพร้อมเพื่อรับสถ า, านการณ์ แต่ความจริงอย่างที่ท่านนายกสันติท่านพูดเขาอายุเขาพูดกันนะราว่านายกท่านพูดจะบอกเรืออย่างรละเรือทองแบ่งคนจะหาประจําจังหวัดไว้จังหวัดละไหลไหลลา จ, จําจํานวนไม่ได้เวลาเกิดเรื่องขึ้นจะได้ไม่ต้องไปขอยืมที่นนท์ขอยืมที่นี่มันไกลกว่าจะทันจะ ไ, ได้มาก็ไม่ทันอีกการฉกเฉิญท่านคิดอย่างนี้เขาท่านดี แล้วก็มีใครบ้างไหมที่เตรียมจะรับสถานในการเวลาแผ่นดินถลม่มไดขอบอกไว้นิดหนึ่งคุยไว้หน่อยหนึ่งพระทำไมว่า น, นิทานนะพระองค์ไหนใครจะไปทวนถามนะนิทานบอกไว้นิดหนึ่งบอกเขาหน่อยหนึ่งว่าระวังแผ่นดินถลม่มพร้อมกับน้ํามาตอนนี้ให้ระมัดระวังให้มาก อย่าทำอะไรให้มันเกิดในความประมาทถ้าน้ำมาด้วยเพนดินถล่มด้วยจะอันตรายหนักเพนดินถล่มนก็จมตัวน้กวาก็ท่วมอย่างนี้ต้องระมัดระวังแต่ก็ขอบอกว่าเพนดินถล่มของไทยจะไม่ถึงประเทศจีนถ้าปล่อยไปตามสภาพปกติไม่ทำลายผิดโตติเพนดินส่วนนี้นับล้านปียังไม่ถลม่ม เว้นไว้แต่ว่าทำอะไรให้หนักเกินปกติอย่างสร้างสร้างบ้านสร้างเมืองนี่ไม่เป็นไรถ้ารู้ระเบิดไปท่ยงบ่อยๆก็ไม่แน่นะักเหมือนกันกรวมความว่าเป็นดินถล่มในประเทศไทยยังไม่ต้องคิดคิดแต่เพียงว่าให้ทรงตัวความไม่ประมาทไฟว่าอาจจะพงมีอาจจะพิ่งมีเพราะคนสร้างสิ่งต่างๆใเกิดเกิดขึ้น ก็เสียงทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีน้ำหนักสูงเกินไปจุดไหนะที่เพิ่งห้ามถ้าจำบอกไม่ควรนักธรณีวิทยาเขามีในเมื่อหมดเรื่องแผ่นดินถล่มก็กลับมาดีกว่ากลับมาไปจังหวัดอุทยธานีตอนนี้ก็เข้าวัดท่าสงดีกว่าเมื่อเล่านิทานเพลผืนแผ่นดินไทย มันไม่มีเรื่องจะพูดนี่ก็พูดเป็นทรงนิทานที่อย่างกลับมาที่วัดถ้าสูงนิทานนะใครจะเชื่อนะก็เข้ามาถึงก็ขอพบพุทมเทวดาคือพ่อผมเจ้าที่ถ้าถามว่าเทวดามีจริงหรือให้เวถามพระพุทธเจ้าถ้าสงสัยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถ้าใครสงสัยไปถามตรงพระพุทธเจ้าหนอน ก็เรื่องราวกันอัาตาดำมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสาวกสาวกแปลผู้รับฟังต้องเชื่อเขาถามว่าเชื่อแบบที่โมกข์ศรทาแล้วมีเหตุมีผลก็ตอบว่าฝึกทั้งด้านจิตใจมาแล้วสามารถสัมผัสนรกได้สวรรค์ได้พรมโลกได้อื่นจากนั้นก็ยังได้แล้วเรื่องอะไรละ่ะจะต้องมาถามกันว่าเห็นเละ ก็ต้องตอบว่าความเป็นอยู่ของคนพูดเวลานี้อาศัยคนด้วยอาศัยเทวดาด้วยอาศัยพระด้วยเทวดารวมทุกพรหมด้วยนะอาศัยหมดทุกอย่างแล้วต่อไปไม่ช้าไม่นานก็จะตายตายแลียจะไปไหนถ้าเทวดาช่วยทันก็ไม่ลงนรกถ้าพระช่วยทันก็ไม่ลงนรก ถ้าพระฤาษเทวดาท่านช่วยไม่ทันก็ลงนรกก็หมดเรื่องกันไปนรกมันมีให้ลงเราเผลอเราก็ลงเราไม่เผลอเราก็ไม่ลงแต่ขึ้นอยู่กับกฎของกรรมทีนี้มาเจอิญภูมิเทวดาเจริญภูมิเทวดาที่วัดท่าสงนี้มีงานไม่หนักมีหน้าที่รับตามคำสั่งของผมของกลุ่มพัน ตัวว่ามองเดินเข้าไปทางด้านเหนือเข้าไปที่พระเจ้าพรมมหาราชก็เห็นพี่กรมพัน์คนหนึ่งอ้วนตักใหญ่ตึกเหมือนก็พร้อมโตจริงๆรนุ่มผ้าหยักรั้งหน้าตาไม่อยู่จีแต่ว่าหน้าตาไม่ยิ้นั่งอยู่บนแท่นที่เขาตั้งแท่นหินพระเจ้าพรม นั่งเหยียดขาโชว์เข่าหน่อยๆมีกระบองข้างขวามอือก็หันเข้าไปถามว่าพี่ชายเป็นยามเลยท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยเข า, หาให้ผมเป็นยามครับผมอยู่ยามอยู่คนเดียวนอกนั้นเขาไม่อยู่ยามเขาอยู่ตามสบายก็ถามว่าทําไมไม่เขาไม่อยู่ยามบ้างล่ะท่านก็ตอบว่ามันเป็นหน้าที่ของผม ถามท่านว่าทั้งหมดเทวดาชั้นจาตุมราชที่เขตนี้มีเท่าไรท่านบอกว่าเป็นพันพันคนก็ถามไมาอยู่กันได้ยังไงเป็นพันพันเนี่ยก็ท่านก็นเลยตอบยิ้มยิ้มท่านบอกก็อยู่อย่างเทวดาก็หมดเรื่องไปท่านถามว่ามีหน้าที่ถามท่้นว่ามีหน้าที่อะไร ท่านตอบว่ามีหน้าที่รักษาเขตเขตนี่ไม่ใช่เขตเฉพาะวัดอย่างเดียวนะมันยาวออกไปเป็นรักษมีหลายสิบกิโลถามว่าเขตนี้มีความสำคัญยังไงนะเจึ่งต้องใช้เทวดาเป็นพันรักษาเขตไกลเปเป็นสิบกิโลถ้านจะชี้มือลงไปเบื้องล่างก็มองตามนี้คนท่าน ไม่เห็นอะไรเห็นแผ่นดินท้าจึงถามว่าพีิอ้นเชี่ยดูแผ่นดินให้แผ่นดินตรงนี้เลยฉันเดินทุกวันนะแต่พิอ้นให้ดูอะไรพิอ้นก็ บ, บอกว่าดูเลยดินไปหน่อยสิเบื้องหนาจเทวานุภาพบรรดาท่านผู้ฟังสามารถบัญดาให้เห็นสิ่งสีเหลืองครึบไปหมด มันเหลืองอร่ามคล้ายทองร้อยเปอร์เซนต์เต็มบริเวณไม่มีว่างเลยแล้วก็มันมีส่วนซ้อนกันสูงมากเหมือนกับตั้งกองอิดอีกกองมาสมและอีกกิจกองต่อต่อต่อต่อต่อต่อไปเป็นพื้นใหญ่แต่ว่าเป็นส่วนลึกมาก ถ้า จ, จะขุดกันจริงๆเทวทัศนเทวดาไม่พาหนีก็ต้องขุดกันเป็นกิโลเลึกเป็นกิโลกิโลเมตรนะแล้วก็ถ้าจะถามว่าเป็นคอทองคาธรรมชาติเป็นทรายหรืออะไรก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เป็นทองแท่งแล้วก็ทองแท่งใหญ่ๆหันก็ไปถามพี่อ้วนพี่อ้วนถามพี่อ้วนว่าทองแท่งใหญ่ๆเนี่ย มันเดิมทีเดียวเป็นทองแท่งหรือว่าเป็นทองเป็นที่ทองเล็กๆท่านบอกก็มีสองส่วนเป็นทองแท่งใหญ่ๆมาจากเดิมก็ดีบางส่วนก็เป็นทองส่วนย่อยที่เขาทำให้มาเป็นแท่งใหญ่ก็ถามว่าใครทำเรื่องบอกว่าเทวดาบินหน้าที่ของเทวดาที่เป็นช่างจะต้องจัดทาทองให้เป็นแท่งใหญ่ๆที่ได้รักษาสบายๆ ก็ถามด้วยว่าได้ทองแท่งใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปหมดมันกี่แสนตันก็ไม่รู้อ่ะท่านเขาใส่หน้าเขาพูดทั้งแสนตันก็ยังไม่พอเลยยังไม่พอกบจะนนทยของทองถามว่าสมบัติส่วนนี้นอะไรจะใช้ได้ท่านบรา ก, ก็ต้องรอไปที เมื่อพ้นจากกุพตศาสนานี่หมดไปแล้วพระศาสนาพระศาสนาโคดมตอนช่วงกลางจะมีพระบาเจกพระติเจ้าก่อนพระศรีอานตรัตช่วงนั้นก็จะมีพระเจ้าจากักรพรรดิอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วกะทองทั้งหมดนี่เขาทองเขาเก็บไว้เพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิก็ถามได้ว่าถ้าเวลานี้จะขอแบ่งมาใช้บ้างใดไหม ท่านก็บอกว่าผมมีหน้าที่เพียงแค่เฝ้ามีหน้าที่อย่างเดียวอยู่ยามอย่างอื่นก็ไม่มีหน้าที่ทํายามก็มีหน้าที่ซึ่งเกิดการว่าใครจะย่องเมาทองบ้างเนืใครจะทําอะไรในเขตนี้ผมรู้หมดใครทําดีใครทําชั่วพระองค์ไหนประพฤติดีพระองค์ไหนประพฤติชั่วคนที่มาใครประพฤติดีใครประพฤติชั่ว นั่งอยู่นอนอยู่คิดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรผมรู้หมดเฮ้ถามว่าพี่อ้วนคนมาไหลคนนะคนมาไหลคนพี่อ้วนรู้ดียังไงแกก็บอกว่าอย่าลืมว่าผมเป็นเทวดานะผมไม่เหยีนคนเทวดาย่อมมีอารมณ์เป็นทิพย์ <c oughs> ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะทราบความเป็นมาของคนภายในได้ความเป็นมาของคนภายนอก คนที่กำลังไปแล้วคนที่กำลังมาและคนที่กำลังจะมาพี่อ้อนสราบไหมถ้าบอกว่าเรื่องเล็กสราบทุกอย่างถามอะไรถามได้เลยใครโกหกท่านบ้างใครพูดจริงบ้างผมบอกได้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ไปผมรับอาสามีอะไรถามผมก็ได้แต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ต้องถามผมนะมั้ง เพราะว่าท่านเทวมาราชทั้งสี่อยู่ใกล้ท่านอยู่แล้วพราะเทวมาราชเป็นก็เป็นนายผมท่านถามอะไรท่านบอกอยแล้วแต่เพียงว่าทราบสิ่งนี้เทวดาถ้าไม่ถามก็ไม่บอกอย่างพิเภกพิเภกในเรื่องรามเกียรจริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบที่ไปอยู่กับพระรามเป็นหมอดูพระรามให้ช่วยดูพิเภกกระกราบทูลขอพรว่าถ้าไม่ถามก็ไม่ทูล ถ้าเรื่องอะไรถามก็บอกเรื่องไรไม่ถามก็ไม่บอกเพราะการลบของพระรามพบก็ญาติของอิเศกนี่ก็เหมือนกันท่านพี่ชายยามท่านบอกว่าเทวดาเน่ต้องถามถ้าไม่ถามแม้ว่าท่านจะรู้เพียงใดก็ไม่บอกแต่บางกรณีที่มีความสำคัญท่านบอกก่อนเหมือนกันถ้ามีความจำเป็นแต่เรื่องธรรมดาธรรมดานี่ท่านไม่บอกก็ถามท่านต่อไปว่า ก็เป็นอันว่าทองทั้งหมดนี่เขาเก็บเพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่แล้วก็เขตที่อาราขาท่านบอกที่อาราขาไปไกลเขาป้องกันคนที่คิดจะมานำทองไปก็ถามว่าถ้ามีคนมาขุดทองแล้วทำพิธีต่างๆท่านยิ้มท่านบอกท่านสบายมากทำพิธีเมื่ อ, อไรผมก็ทำพิธีเมื่อนั้น ถามว่าวิธีของพี่อ้วนมีอะไรท่านก็นเลยบอกกระ บ, บองนี่ยผหันยาตีหน้าให้หน้ามึดเทวดาฆ่าคนตายไม่ได้ตีทีไรทุกผลภาพทุกทีทั้งหมดเรื่องถามด้วตีแรงและตีเบาท่านบอกแค่กระทบก็พอแล้วมันสุดแล้วแต่ใจผมจะนึกใจผมจะนึกแค่เป็นขนาดไหนผมไม่ได้แกล่งเขาแต่เขาแกล่งผม ผมมีหน้าที่เฝ้าผมก็ทําตามหน้าที่ตามธรรมดาเถวดดาไม่โกรธใครกระโมความว่าแค่หน้าประตูบรรดาเทพุทาสัตว์ทั้งหลายเจอพี่อ้อนเข่าย้่นในใจดีคุณแความจริงเห็นมานานแล้วนะ่ะเดินผ่านไปผ่านมาเลยวิอ้วนแกนั่งตรงนี้จะยืนยามอยู่ที่เดียวเลยถามว่าพี่อ้อนยืนยามตรงเนี้ยคนมาลังวัดเห็นเลยเขาบอว่าที่ไหนผมก็เห็น อะไรเปเนอว่าผ่านไปพูดมามากเสียเวลาต่อไปก็กลับเข้าที่กลับเข้าที่กะพบท่านทานมาราทังสีคือท้าวิรุณหกท้าวิรุณปักแล้วก็ท้าวทศรเท้าวเวสสุวรรณเห็นท่านยืนยิ้มแล้วก็โอ้ญ่าตาโทษ ว, วีดามันดาก็มากันเต็มแงกับพระเทวมา ท่านถามกันว่าจะต้องการรู้อะไรอีกก็บอกว่าต้องการคุยกันเป็นนิทานตอนน <c oughs> ี well, lets, ้ไปก็จะเที we ่ยวเป็นดินเทียต่าจังหวัดจังหวัดไหนมีทรัพย์สินอะไรบ้างพอที่จะคุยกันได้แต่ส่วนใดที่คุยไม่ได้ก็ไม่พูดส่วนใดที่เขาจะเอาได้ก็ไม่พูดแต่ส่วนใดที่เอาไม่ได้จะพูด คำว่าเอาหมายว่าทำลายทรัพย์สินเขาแย่งทรัพย์สินเขาถ้าเป็นแร่ธาตุก็อาจจะพูดได้หรือไม่พูดก็ได้ขอแล้วแต่ท่านจะอนุญาตเจ้าบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ไปเพิ่งรู้เสียด้วยว่าใต้วัดท่าสงนี่นะนอกจากจะมีทองคําแล้วทองคํานี่พวกไม่ใช่ทองคําธรรมชาติ <c oughs> เป็นทองคําที่เขาฝากกันไว้อมาราขาแล้วก็ไม่ใช่ทองคําจุดเดียวที่เป็นของพระเจ้าจักรพรรดิมีทั่วไปและก็มีอยู่หลายประเทศแต่และกลุ่มแต่และกลุ่มเนี่ยมีอยู่หลายประเทศเพราะพระเจ้าจักรพรรดิเกิดครั้งแ้วเมื่อผู้ครองโลก <c oughs> ชาวโลกทั้งหมดมีพระมหากษัตริย์องเดียวที่เป็นใหญ่คือพระเจ้าจักรพรรดิ แล้วพระเจ้าจะก็พักก็ปกครองโลกโดยธรรมเวลาที่ใครเขาไม่มีจะกินเขามีจะใช้พระเจ้าจะก็พักก็สั่งขุ้นคลังจะไปหาเงินมาจะมาหาทองมาช่วยเลี้ยงเขาขุ้นคลังนี่ก็มีที่จะคุยานแจ่มใสมากสามารถเห็นอะไรตัวาะไรไดตต้ตามความตามตามความต้องการจรึงเดินนําคนไปชี้ตรงนี้บอกว่าตรงนี้ทองคํา ตจงขดขึ้นมาท่านี้ก็เป็นเรื่องอเทวดาถ้าต้องคํามากอย่างนี้แย่ขดขึ้นมามากมากมากกันไม่ได้เขาก็เทวดาจะให้เห็นเฉพาะจุดแผ่แค่คอทมควรเว่นควรนำไปเทไรเห็นเท่านั้นนอกจากนั้นเห็นเป็นดินหมดแล้วก็แต่เรื่อยคราวถ้ามีความต้องการมีความจําเป็นเขาจะให้ต า, า, ม, ตามความตามสมคนเนี่เป็นที่จุดหนึ่งจุดเล็ก ก็ถามท่านว่านอกจากนั้นใต้วัดมีอะไรบ้างท่านบอกวัดนี้ตั้งอยู่ยนยนยอดภูเขาเหล็กมีแรล่เหล็กมากแต่ก็อยู่ไม่ลึกจาเป็นวัดซะแล้วนี่ขุดก็ไม่ได้ได้ค <c oughs> ่าก็ไม่สูงไม่คู่ควรกันแต่ถามท่าว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดอุทัยธานีมีอะไรที่มีความสำคัญบ้าง ให้ก็ตอบว่าแร่ธาตุในจังหวัดอุไทยธานีมีเยอะแต่ดินแดนที่จะเพิ่งบอกท่านบอกบอกไม่ได้ก็อยากจะบอกประถานที่ท่านนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขารู้กันเองอย่างแร่ที่มีความสําคัญแต่ยังไม่นิยอมใช้อย่างอยู่ในเนี่ยมอย่างนี้ไปหลังอุไทยธานีก็มีถ้าแร่ดีบกุกแร่ต่างๆที่เพิงใช้มีแต่ว่าไม่มากนัก แต่เ่าการดแูแลเนี่ยมีเป็นหลายชั้น <c oughs> มีหลายชั้นเดียกันชั้นบนชั้นล่างชั้นต่ อ, ต, อต่อไปมีเยอะอฮะดูแลมีเยอะมีกลุ่มหนึ่งมีกี่กลุ่มนาะท่านบอกว่าเอากลุ่มใหญ่ใหญ่จริงๆมีอยู่สามกลุ่มในเขตปลายทางในป่าของสามอำเภอท่านก็ไม่บอกท่านห้ามบอกอำเภอ แลกคิดจะบอกไปปลายจะไม่เป็นไรแต่บอกเป็นหน้าที่ของเขาข้อเราไปเรื่องของนิ่ฐานจริงและไม่จริงใครเข้ตาตำหนิ ก, กันไม่ได้รวมความว่าแร่สําคัญนอกจริยูเดเรเนียมเอ้ามองไปมองมาจังหวัดไทยธานีที่มีแร่ทองไม่ฮะคิดว่าจะไม่มีมีที่ไหนอีกอเาเภอหนึ่งซึ่อก็ไม่ไกลจากยูเรเนียมนัก มีกลุ่มทองคำแต่ไม่มากถ้าทำแบบอุตสาหกรรมเป็นเป็นอะไรเนาะเป็นโรงงานี่เขาขุดเนะ่เป็นเหมืองแบบนั้นก็พอได้แต่ว่าต้องอดทนแต่จะแต่ว่าท่านบอกว่าต้องใช้เวลานา น, านจะเพิ่งทำถ้าทำทองคำเวลานี้ที่จังหวัดไทยธานีแนะขาดทนุนต้องรอเมื่อถึงเวลาสมควร ทั้งว่าเวลาสุกคนก็นบรนดาท่านผู้บริษัทดูเรื่องของน้ํามันเรื่องของน้ํามันนี่รู้เรื่องมาตั้งปี 2,518 แต่ว่าเทวดาท่านยืนยันว่าต้องพอศ 2,524 ไปขอร้องท่านอย่างไรท่านก็นยอมรับไม่ได้เขาเป็นน้าว่าต้องถึงพอศ 2,524 ในเรื่องตรงคํานี้พระทำไมบอกเวลาเอารับดาจ้าดโยมผูบริษัทาาทหลายโดยทุนน่นนา มองดยเวลาหรือแพกยี่สิบวินาทีก็หมดเวลาเขาลาก่อน้อความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาแจ้าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี